เซขาปฏิปทาธรรมิกถาก่รฟ้าสางวันที่13มกราคมพศ2547เรื่องการฝึกตนตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยในที่สุดในพระทายของพระองค์ ก็อมองเห็นว่าทุกคนเป็นตถาคตเมืองกระเราที่เราื่อ ท, ท, ที่พระองค์เรียกพระองค์ว่าเราตถาคตคืองรถพระองค์เรามามือนคนทุกคน mm hmm. เพราะคำว่าตถาคตมันมันไม่ชชื่อจริงๆของท่านหรอก เ, เป็นเป็นคำที่ท่านเรียกตัวท่านเองให้มันกลมกลืนกับพวกเราคือมันจะเป็นไปได้อย่างเดียวกันท่าฝึกท่าน ยัตถาปุริมกาสัตตาชาติเชร า, ามลานังคขจิติอาจัมปิตถาตถาค ต, ตสัตว์ผู้มีความเกิดแล้วจะต้องแกจะต้องตายเป็นธรรมดาเข้าถึงความแก่เข้าถึงความตายเป็นธรรมดาสัตว์นั้นชื่อว่าตถาคตนี่ความหมายไปอย่างนี้ เพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่ในการพัฒนาในการฝึกมันจะต้องเอาตัวนี้ขึ้นมามาเป็นตัวขับเคลื่อนตัวที่มีศรัทธาตถาคตตาโทีิศรัทธาศรัทธาหิตถาคตาสาพโพทิงมั่นใจในความสามารถในศักยภาพของความเป็นมนุษย์อย่างพวกเรา สามัญกระจุมุ่งหมายที่สูงส่งที่ดีงามที่พระองค์ทรงกระทำมาแล้วเข้าถึงดได้โดยได้มาแล้วเมื่อวินิจฉยขึ้นมามันก็จะสู้มันก็จะฝึกไม่เห็นว่าเป็นเรื่องยากกลายเป็นเรื่องสนุกสนานในการฝึกท่านหลายผมนั่งอยู่ตรงนี้เป็นเป็นพี่เลี้ยงเลี้ยงเป็นกะะนัลยาณมิตรเป็นแบบเป็นอย่างขาผมสองข้างนี้หัก กระดูกทะลักออกข้างนอกตแต่ต ต, ตอนได้เล็ขาขวาโตมาขาซ้ายลดความขาหักท่านทั้งหลายขาดีกว่าผมในท้องผมไม่มีมา้ามตัดทิ้งแล้วมีแต่บาดแต่แผลสะบักสะบอมชอกช้ำทั้งหมดร่างกายนี้แต่ของ ม, มันมานั่งเป็นเพื่อนทัางอยู่ได้ตลอดเวลาทีละชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ได้พิษไปไหน นี่มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากพวิตปว ต, ตาาปะพวิตดโตภาตาพุะธเย้าทั้งหมดวิตรโตฟึกนตนและพระองค์ทรงตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายผู้ปรารถนาบุญจะพึงบูชาสิ่งทั้งหลายสิ่งอื่นทั่วไปในโลกนี้ ตลอดการเวลาหนึ่งร้อยปีซึ่งรั์เดือนละหนึ่งพันหนึ่งพันยังไม่ได้ออได้บุญเท่ากับการบูชาผู้ฝึกตนแม้เพียงครั้งเดียวคนเดียวนะท่าบองเห็นคุณค่า น, นี้มากจริงเชื่อชูคำนี้ขึ้นมาว่ามาเสมาเสสาสานิโยยะเชะสะตสตังสังเอกันจะภวิตตปานัง แต่ให้ดีนะคขาบอกพระวิตัิตาหนังเอกันจากพระวิตตตาหนังมุขตัมปีปูเฉยซาเยวะปูชาดาเซยโยโยเยวะสสะสตังสมังธอตังหูตังผู้ที่ปาธนาบุญมูบุญจะฟึงกระทำการบูชาสิ่งอื่นจะเล่าอื่นบุคคลอื่น โดยการทำอย่างนั้นติดต่อกันสมาเสมอสตังสมังสมัมมสมบัติตลอดเวลาร้อยปีมาเสมาเสสาสานิโยยะเชตะสะตังสมังแต่ละหนึ่งเดือนแต่ละหนึ่งเดือนในเดือนใ น, อนในเดือนหนึ่งทรัพย์เดือนละหนึ่งพันเดือนละหนึ่งพันคำพูดสมัยนั้นหนึ่งพันนั่นจะเป็นราคาเป็นล้านอย่างทุกวันนี้พันกะหาปณนะ พันรูปยะกระทำอย่า ง, งสม่ำเสมอสิ้นทับตลอดการเดือนละหนึ่งพันหนึ่งพันตลอดการร0อปีเอกันจะผวิตรตาหนังมุตันปิปูเชยียงซาเยวะปูชาดาเสยโยยังเยวะสะสตังงตัง ก, การบูชาเช่นนั้นไม่ได้ผลเท่ากับครั้งเดียว ที่บูชาบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วประเสริฐกว่ามีคำว่าเสยโยนะเสยโยนั่นแปลว่าดีกว่าประเสริฐกว่าญาติโยมทั้งหลายมาบูชาเราตอนเช้าด้วยข้าวน้ําโคชนะอาหารเขาจะได้บุญผ้าเราตั้งแต่ฝึกตั้งแต่ประพฤติตั้งแต่ปฏิบัติตั้งใจฝึกหัดตนเลยพัฒนาตนผ้าหุอัต เรียกว่าพระวิตาตาพระวิตรตานังเขาจะได้บุญิฉงนั้นเราจะเป็นบุคคลที่โมขังรัฐะปินตังทุนเชติบริโภคก้อนข้าวของชาวแฟนแฟนอย่างเป็นเป็นมันเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยจากต่อเขาเราวิสิจะได้โทษอีกด้วยการที่เรามาฝึกมาหาดมาพัฒนามาอบรมมาฝึกฝนตน จะเป็นการส่งเสริมให้โลกนี้เจริญด้วยบุญเพื่อคุณงามควาดีเจริญงองงามขึ้นมาจะต้องมาทำความเข้าใจว่าเราทำได้ไม่เหลือวิสัยเป็นไปได้ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเป็นอำมาตย์พานั่งเดึกเดินถ้าผมไ ด, ได้ทำงานน้อยๆถ้าผมจะในสภาวะนี้ผมจะไม่เป็นอย่างนี้ สิ่งเหล่านี้ อ, อีกอันหนึ่งที่ช่วยให้เป็นอัมาพาตได้ง่ายเส้นเลือดแตกในสมองมากคือเครื่องขยายเสียงไมโครโฟนไม่แมตกับไม่บาลานซ์กันถ้าพูดฟังสองหูหนึ่งหูหนึ่งได้ยินชัดหูหนึงไมด้ยินมันจะดึงมันจะท่วงอันนี้เป็นประจัยหนึ่งผมคิดว่าเก้าสิบห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นตที่ทําให้ฟอนแตกเส้นเลือดแตกในสมองคือเรื่องเครื่องเสียงคนที่ไม่เคยพูดมามากจะไม่รู้จัก พมละกลัวที่สุดนะแต่ก็ต้องทำ้าเหวัามันจะมีประโยชน์แก่เพื่อนแก่พระซาตนาให้เกิดซาตน า, าชาญาเสบ ม, มายังอื่นไม่กลัวหรอกกลัวจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นถ้ามิเช่นนั้นพระอริยเจ้าพระอราหันต์พระนาคามีท่านจะต้องเป็นอมานหมดแล้ว แต่ถ้าเมื่อใดจิตเราฝึกให้มาลงตัวได้ ส, สม่ำเสมอดี ส, สมานเสมอดีงามแล้วมันจะเกื้อกูลทั้งกายทั้งจิตให้เป็นสุขภาพที่ดีงามสุขภาพกายสุขภาพแ่ที่มีความสุขหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่เสมอเราลองคิดดูถ้านนั่งอยู่เจ็ดวันที่วันนี้โลดสมาบัติภาษาบาลีจะใช้ภบัา สัญญาเวทยิตะนิโรธสัญญาความสำคัญมั่นหมายความจำได้หมายรู้เวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เสพอารมณ์ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพอใจเป็นไม่พอใจตอนนี้ท่าเลยบอกวเวทนาที่ภาษาสมัยส ม, มัยใหม่ใช้คาว่า feeling สัญญาที่เขาใช้คาว่า perception นี่โลดสับสนหน่อยถื่ว่านี้เราเราแปลกันไม่ถูกเต็มต่อแต่ก็ไม่ถึงกับผิดถ้าจะแปลเป็นแยกเป็นสับถ้าก็คงจะคิดว่าเราจะเข้าใจช้าเข้าใจยากอยากจะให้รูปยอดเป็นแบบครชแบบสรุปจึงไปว่าดับทุก แต่ความจริงมันไม่ได้แปลอย่างนั้นนะนี่เป็นอภาวะธาตุแปลว่าไม่มีโรทัขอบเขตเขือนกั้นนี่โรทัศแปลว่าไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีที่กั้นกั้นอะไรความทุกข์ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ความทุกข์ก่อนไหลนี้มีขอบไม่มีเขตจึงเรียกว่าดับทุกข์ ท่านแปลแบบสรุปแบบของครูท่านแบบสรุปเลยก็ชัดเจนดีให้สัญญาเวทยิตะนิโรธแต่แปลว่าไม่มีขอบเขตกักกันกั้นเอาไว้ซึ่งสัญญาและเวทนาเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาท่านเขาเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติดับกายสังขารซะก่อน ดับอะไรดับลมหายใจกายยัญยะตราหังพิกเวตธมรมฐานิอาสาสปะสาสังพิกสุตรต่งหลายเรากล่าวว่าลมหายใจเข้าหาจะออกนี่แหละเป็นกายสังขารเป็นการหนึ่งในกายทั้งหลายถ้าจะต้องดับกายสังขารซะก่อนเราลมหายใจก่อนที่จะดับลมหายใจได้ท่านต้องดับวิจีสังขารก่อน วจีสังขารคืออะไรวิตกวิจาร์ความคิดความคิดวิเคราะคายควรวิจงวิจารณ์ต่างๆมันเป็นตัวตปุงปุงให้พูดพูุเป็นคําพูดหรือเป่าวัจีสังขารเมื่อดับวัจจีสังขารแล้วก็จะดับกายสังขารคือลมหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าจะดับปั๊บไปขาดไป หลังจากนั้นก็อาจิตตะกังนี่โรดหางพุทธิติดับจิตสังขารไปเลยไม่มีตัวไหนเป็นจุดตัวจิตสังขารตัวเวทนานี่แหละแต่ตัวสัญญาณนี่แหละเป็นตัวจิตสังขารดับไปทั้งเวทนาความรู้สึกว่าเป็นโศกเป็นทุกข์มันจะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเสียงทุ้มเสียงแหลม พอใจเมื่อพอใจจําได้มันรูปมารู้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์ต่างๆมันก็ดับไปตั้งอยู่ไม่ได้จริงๆดาวทั้งสองเพราะฉะนั้นเมื่อท่านจะเข้าสู่นิโรธสมาบัติท่านเองจะต้องหาที่บริกรรมบริกรรมนั่นจะต้องเข้าใจนะปริกรรมะปริกรรมะนะแปลว่า เตรียมเตรียมตัวเบื้องต้นเออจดไว้ก่อนเลไม่จะเขียนกระดานกี่ก็ได้แปลว่ารี e p a r a t i o n เตรียมตัวเบื้องต้นก่อนที่ข่านท่านจะเข้าตอนนี้ครับจงเตรียมเตรียไว้โยบอย่างน้อยสี่ประการสี่ประการบุพการแห่งนิโรธสมาบาร์ของท่าน ถ้ามันจะต้องเตรียมมันอันตรายต่อคนอื่นด้วยอันตรายอย่างไรถ้าทุกว่าท่านมาเข้าอยู่ตรงนี้ปับ๊บนั่งดับแก๊กเจ็ดวันเจ็ดคืนคนไม่รู้อย่างเรื่องเคยเคยไ ด, ได้ยินถ้าเราเรียนธรรมบทเรื่องนางสาวมาวดีที่ถูกเผาอยู่ทีพ่พระบรมมหาราชวัง ของพระเจ้าอุเทนที่เมืองโกสัมพีนางนี้ถูกเผา5้าร้อยนางกับบริบาลตายมือก ม, มือก็จุดจุรังต่อรังแปรตายหมดมีแต่ผู้เกิงห้าร้อนางเขาเผาเขาเผาราชวางังถ้ามันยิงต้องถูกเผาว่ากันว่า บาปเก่ากับเดิมของนางทั้งห้าร้อยนั้นเคยไปเผาพระปเจ ก, กับผูะพุทธเจา้าผู้เข้านิโรธสมาบัติอยู่ในกองัางไปอาบน้ำที่แม่น้ำพากันมาผ่าลมน้ำ ม, ามานันนาวสันสรท้านวิ่งมาตามภาษาของ หญิงยาววยัยยังรุ่นหยกกําลังสนุกสนานรา่าเดิงวิ่งมาเห็นกองฟางอยู่ข้างทางก็เลยชวยนเอาไฟมาจุดฟังไฟมาจุดเผาเพื่อจะฝิงมันหนาวจักก็ไฟจุดมันก็ลุกเลยไฟไม่ฟังลุกโพงพงขึ้นก็ฟ้ากันฝิ่งยิจากความหนาวก็เป็นควาดีใจมากอุ่นสดชื่นส้าพักหนึ่งฟานน้องก็ หมดมอญดำไปเจะหมดไปดับลงดำลงก็เอาไม้มาเคี่ยวให้มันลุกขึ้นนี่พอเคี่ยวไปที่นี่ก็เห็นคนนั่งตั ว, ตวดำเป็นต่อตะโคอยู่ตรงนั้นนี่คือท่านดับสัญญาดับเวทนาไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จกักปวดไม่รู้จกักสุขไม่รู้จกักทุกข์ดอกไม่รู้จักตามไม่รู้จักเป็นไฟแม่้ก็ไม่ไม่มีการวิ่งหนี่พอลมหายใจก็ไม่มีอลไรตรงนั้นก็ให้มันมั่นอยู่ตรงนั้นแหะ ก็เลยกลัวกลัวจะเป็นโทษพากันทําลายหลักฐานไปชวนกันไปเอาฟืนมาคนละดุนคนละดุนมาถมเลยมันไม่หมดไม่มีเลยไม่รกระทา้งกระโดกห้าร้อยนางก็ห้าร้อยดุนก็เผาไปเลยปรากฏว่าหมดแต่ฟืนตัวของท่านไม่ได้เป็นอะไรผ้าหมดก็เลยแต่ตัวดํำเป็นตัวตะโก แต่ตัวเองไม่ได้ตายนะอำนาจของนิโรธสมาบัติมันดุนแรงมากไฟไม่เป็นดำเป็นตอเป็โกฟืนห้าร้อยดุนจนมอดไม่เป็นฐานเป็นเท่าตัวของก็ยังตรงลืมตาปิดปิดลุกขึ้นเดินได้ไม่มีความกรอบของแข็งดอเพราะสิเหลนี้มันหม ด, หมดไปสิ้นแล้วในจิตใจของท่านระดับอนาคาเม แ ล, ล้วกรรม น, นั้นก็ยังตามมาสุดท้ายมันเป็นเมียน้อยของพระเจ้าอุเทนทูกมีอีกคนหนึ่งอิฉา อ, อนุมันประราชจ้งคนไปเผาจนตายหมดทั้งห้าร้อยนาอันนี้คือกรรมนี่คือการดำรงชีวิตอยู่ในนิโรธสมาัตของท่านท่านไม่ได้เป็นอมาภานะท่านนั่งอยู่เจ็ดวันเจ็คืนทีมมีํทเนียงว่า เมื่อท่านจะเข้าสู่นิโรธสมาบัติในทางพุทธศานตานี้ท่านจะต้องกระทำบุพกิจสี่อย่างหนู้กำหนดอธิษฐานจิตไว้ว่าตลอดเวลาเจ็ดวันที่เราอยู่ที่นี่หนูตัวเดียวจะไม่สามารถมาทำลายมาทำรายผ้าจีวรมากัดแม่ตะมุงจีวรของเราได้ น้ำก็ดีไฟก็ดีไม่สามารถจะทำลายกุฏิวิหารที่เราอยู่นี้ได้ที่เราอาศัยนี้ได้ไฟไม่มาก็จะดับไปถึงตัวมันเพื่ออนุภาพแห่งม่โลดสมาบัติอันนี้สองหนักหน่อยตัวนี้อำนาจมากนะพวกเราต้องฟังแล้วต้องเข้าใจนะ น, นะครุกกาสังคสานาะอำนาจสองเป็นใด สงมีอำ น, นาจบ้างสามารถจะลงโทษได้แห้แต่พระอาหารหันต์เมื่อพระริจัดตรัทรู้แล้วได้วางพระวิเนยเป็นกรอบเป็นระเบียบเป็นระบบชีวิตระเบียบสังคมของสองเพื่อเพื่อนสองฆ์ปกครองกันเป็นตัอย่างที่ดีที่งามแก่ชาวโลกแก่ชาวบ้านเริ่มวาววิเนยตั้งแต่พันษาที่สิบสองไปถึงพรรษาที่ยี่สิบได้สองร้อย ยี่สิบเจดข้อมาแล้วในปฏิโมกของนอกปฏิโมกอ์เอกห้าร้อยกว่าข้อรวมกันเป็นแปดร้อยกว่าข้อมาถึงพี่พรรษาที่ยี่สิบเห็นว่าสงนี้เจริญเติบโตใหญ่กล้ามีมือพระสงฆ์มากแล้วคุ้มครองกันได้ด้วยทําด้วยวินัยแล้วพระองค์ก็มอเอาหน้าแก่สงครุ ก, กาสังคสานาเอานาจสงเป็นใจยิ่งกว่าเอาหน้าของพระองค์ และพวกก็ถอนตัวเพือชิพขึ้นมาเลิกสวปดปาริโมกีนั้นให้สงสวดกันเองเป็นอานาปาริโมกที่เราสวดอยู่ทุกวันนี้เป็นอานาปฏิโมกนะแต่ก่อนท่านสวดเป็นโอวาทปฏิโมก ค, คือปฏิโมกข์เพื่อการปกครองหรือว่าอานาปาริโมกเป็นวาลิตะสีลังสินเพื่อคุ้มครองสังคม กายเป็นอานาปิโมขังปิโมอาจเป็นหลักแห่งการปกครองเป็นอำนาจสงจะมีอำนาจใหญ่สามารถที่จะลงโทษแม้แต่พระอาหารหันก็ได้พระอุปคุตที่ต้องไปต่อสู้กับพญามานนั้ถูกสงลงโทษเป็นเพราะอาหารหันแล้วสงจะเป็นพลุชนก็ลงโทษอรหันได้ถ้าพร้อมกันของของท่านวางระบบไว้ดีมากพระอาหารหันก็น้อมรับ ด้วยกาวด้วยเศียรเพื่ออำนาจของสองฆ์พระอนาคามีพระอรหันต์ที่เข้านิโรธสมบัติต้องทำบุพกิจไวอ้อีกข้อที่สองว่าตั้งใจไว้ว่าถ้าเมื่อไดสงเรียกสังฆปริมาณนานงสงเรียกเราป่าธนาเรามีเรื่องมี ร, งมราวเกิดขึ้นแก่พระถาตนาความเป็นความต่างของพระถาตนาเราจะต้องรีบออกทันทีออกไปช่วยสงฆ์ประร่วมสงฆ์ ดูเสียม้าสรงมันใหญ่ขนาดไหนเขานรโรสมาบัติเอาไฟเผาไม่ออกนะจุดตั้งเกจวางก็ยังไม่ออกแต่ถ้าทรงเรียกทรงปฎิณานะจะต้องออกเองเหมือนนาฬิกาปุกถึงเวลานั้นต้องตีเองปูกเองตะลุกเองเหมือนระเบิดเวลาเมือนระเบิดเวลาของพระอราหันต์ของพระอนาคามีพู้เขาเนรโรสมาบัติคืออำนาจสงถ้าทรงวันเมื่อใดหนอะท่านผู้นี้จะมาเรากำลังรอคอย ทีนี้เกิดปัญหาเกิดความเป็นความตายต่อพระศาสนามีศาสนาอื่นมาเบียดเบียนข อ, อนิมนต์เถิดท่าสงตั้งเกอง น, นี่ว่าจะมาวหวก็ขาดถึงก็ออกมาเลยถ้าอไฟเผายังไม่ออกนะนี่มาอำนาจสงขนาดนี้ผู้ใจกลางระบบไว้ดีปะ่ะสามต้องตั้งบุคือภารเกี่ยวที่สามารถในใจว่าเมื่อใดพุทธอาณาพุทธอาญาหรือว่าสัตรัตถุ อาญาสโตอานาพระศาสด า, าเรียกหาสมัยนั้นจะมีพระพุทธเจ้าหยอกถ้าเรียกหาต้องออกไปเองว่าโนองมัด น, นี่โลกสมัยบัดก็ขาดถึงออกไปไปหาหานต่อมาเมื่อพระศาสดาหมดไปสิ้นไปก็ตั้งตั้งไว้กับอำนาจสงเมื่อสงเรียกหาปาถนาจะต้องออกมาเอ โดยธรรมชาตินะไม่ได้ไปปลูกพระเรียกมึงก็ตั้งระเบิดเวลาไว้มึงก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ถ้าตัวนี้นเกิดขึ้นท่านจะออกมาเองโดยอัตโนมัติจีิตที่ ม, มีสัญญาที่ไม่มีเวทนาแต่ตั้งไว้ก่อนจึงเรียกว่าบุพกิจมึงตั้งนาฬิกาไปมึงตั้งระเบิดเวลาไปผู้ที่อยากทำเข้าของทรงกัดป้าตันเจโขศีลบาโต ปณิธินเจตุปณิธิความตั้งใจของผู้มีสินย่อมนำไปสู่ความสำเร็จได้แต่พวกเรามันมันไม่มีสิลเพียงพอพระพุทธพระอรหันต์พระอริยเจ้าระดับอนาคามีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญายังไม่สมบูรณ์พอยังเหลืออยู่ประมาณสักยี่ส้าเปอร์เซ็นแต่สมบูรณ์ของปัญญาแต่ส่วนพระอรหันต สีมสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์ร0อเซ็นแต่ยังต้องเอาบัดเล็กๆมาได้จบมันคนเรื่อยๆคับเมื่อสินสมบูรณ์แล้วติกยังมีควาว่าตันจากโขศีละวะโตปณิธิโนเจโตปณิธิพิสุดธิ์ทั้งหลายความตั้งใจของผู้มีสินย่อมสำเร็จแต่ของผู้ไม่มีสินย่มไม่สำเร็จย่มไม่ ส, มสเร็จ เงี้ยถ้าตั้งตั้งใจไว้ว่าถ้าสงเรียกถ้าภาษาสดาเรียกเราจะออก ท, ทันทีตั้งใจไว้ก่อนก่อนที่จะเข้าสัญญาวเวทียบนี้หรือว่าก็นวรตั้งนาฬิกาพอถึงเวลานั้นจะออกพึ่งทันทีข้อสุดท้ายอัธรพ ร, ริเฉษั์ตั้งใจกับหนดอายุซะก่อนว่าภายในเวลาเจ็ดวันนี้เราจะตายหรือไม่อายุเราจะหมดหรือไม่ ถ้าว่าเราจะมียุ่งอยู่ประมาณสักสาวันในเข้ามาได้พราะเข้าไปแล้วมันมันไม่เคยมีปภนี่คือจะต้องปตายนั่งแข็งแกะอยู่ตรงนั้นเป็นทินไม่ได้ไปเรื่องมอกศาสนาเป็นพวกอสัญญาิชานเสียยี่ห้องของพุทธศาสนาด้วยเข้าฌานตายแข็งแก็ได้แกะโบเมนอันั้นไม่เป็นประโยชน์แกตัวเองแกพูดกันแกโลกแกทําด้วยถ้ายืนตั้งแกไว้ถ้าจะตายภายในเจแปนออกมาแล้วตายได้โอเคเข้า ถ้าจะตายกล า, างทางไม่มีไม่มีประเภทนี้ถ้าเห็นว่ามีอยู่อีกสามวันเลเราจะตายกไปต่อเขาถ้ารู้นะเวลาห่างจะตายท่านก็คนอนกณซะก่อนพวกเราตั้งใจไว้ก็ยังไม่รู้เพราะเรายังไม่ไมีเสมีสิงเพียงพองถ้ขาขังตีไม่ไม่ขึ้มืออยู่หอาชื่อลูกอยู่ตั้งใจไว้เด็กขอขางเด้อยมือเราตีละครั้งกูตีไปนุผัตนผตีสองจะีมันนไม่ี้ยไมนอนก่อนนอนชี นนเช็คโนลพูลตีสามลมุมมนนักตลาดจะโกยโกยมาเพราะอะไรเพราะเราทุศีโลหนเจตบนันที่ชินเรามันมันทุศิลศิลป์ไม่พอดีศิลป์ไม่บริบูรณ์มันก็เลยไม่สําเร็จพ๊อเอาอีกนิดหน่อยให้มันชัดเจนผมเสียใจไม่ทําตามสเปกที่บอกไม่ได้ผมพูดเ อ, เองนะพูดตามตามพูดได้เจ้านี่สีทธิพลังการอภิชิตวันนั่งหัวข้าขมาโดยรอบ ไม่ต้องมาขัดสายขัดคอเมื่ต้องมาทับกันดอกอันนั้นเป็นเป็นเทคเนิคของน้องสรราวศาสนาพุทธของพวกพรามเขามีนักเลงสมมาธิเพื่อจะแข่งกันอวลิโอเด็กันนั่งหลับก็ไม่ไม่ล้มแต่เราท่านท่านไม่ได้สอนเลแต่วันนี้ศรีเรออนนทติปันลังกันอาภูชิตวานนั่งขูหาเข้ามาโดยรอบอย่างนี้เพื่อเลืลมมันจะได้หลายเวียนได้สุดระสบามไม่ได้ขัดกันให้มัน เป็นไปเพื่อฟิสิกส์เฮลยเพื่อสุขภาพทางกายแล้วก็อุชุงกายอย่งมีนิทายะตั้งกายตรงๆโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังมันตรงมันพอดีไหมมันบาลานซ์ไหมสมมอาอาธิรวมไสมาธิแล้วบอความสม่ำเสมอทุ่นทั่วมั่นคงอย่างยิ่ง นั่งมันมันของใหมันทั่วให้มันรับหนักน้วงหนักตัวทั้งทั่วไปทั้งสายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังนั่งไปเราโยกหาทางนี้ก็แน่นทานี้ก็ก็แน่นทั้งหน้าก็มั่นคงทั้งหลังก็มั่นคงก็เฟิร์บรี่อะไรที่นั่งโถกสะเปกเราก็ยืดตัวตัวตรงแต่ถ้าเราเปกนอย่างนี้มือจิตจะเป็นสมาธิมันยิ่งยืดขึ้นมือเสถีมันยิ่งยืดขึ้นอลลมมันปวด แต่พวกเรามันไม่เอาเนี่มันก็นั่งโตงอต้องตรองกุ้งจุงกายังปฏิทายะนั่งรังคดกุ้งจุงเด้อก็คือปฏิบัติใจแบบอู้ชุ่งกันอูชุกแลว่าตรงเมื่อตัวตรงแล้วก็ปรับจิตตั้งจิตตั้งสมาธิไว้ตรงไหนวาริมุขังสติงอุปัฏิเปตอุปัฏฐาเปตวา ตั้งสติไว้เฉพาะหน้าสร้างความรู้สึกไว้เฉพาะปัจจุบั น, ม, นาาม่นต้องระวังห้อยหาอดีตมันต้องไปเพ้อฝันหาอนาคตอยู่เฉพาะหน้าคือปัจจุบัน ส, สติภายในเฉพาะหน้าคืออยู่กับปัจจุบันสติภายนอกเฉพาะหน้าคือสร้างความรู้สึกไว้เบื้องหน้าหรือข้างบนเนี่ยหลับตามมัจะเห็นบริเวณนี้จะเป็นเงาอยู่สว่างเรื่องๆอยู่อีมันถ้าคิดแล้วมันจะเป็นธรรมทิข์มันจะสว่าง เอกเตโชตนัทโถอภินยโยเมื่อกิจเป็นเอกเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวมิจะสว่างขึ้นยังไม่เป็นอันเดียวมันก็ยังยั ง, ย ง, ยงสว่างเหลืองๆจะม่แสงตั้งแต่จะมีแสงไหลหมุนสีเขียวบางสีเหลืองบ้างสีม่วงบางไหลไปผ่านไปแล้วก็ดวงใหม่ผ่านมาดวงก็ผ่านไปดวงใหม่ผ่านมานั่นมันจะเริ่มมีแสงแล้ว ถ้าเราตั้งสติให้มันถูกที่แล้วก็สร้างอโลกัสัญญาที่วากับสัญญาสร้างความรู้สึกถึงความสว่างสวายเหมือนกลางวันกลางคืนเมื่อไหร่สร้างขึ้นความรู้สึกขึ้นเหมือนกลางวันสร้างอิมเมจเนชันสร้างมนุษภาพขึ้นมาใหม่อย่างนี้มันจะมันงงงอออีกด้วยอีหยังเงินนางปับข้าวเดือดพนกุ้งจุง่งกัยจันทร์แล้ว <c oughs> แั S <S. <S. ่คุณไดสอนทังเหตุเป็นแท้ผู้สานสอนติดหน้าตาต่อเนบ่องไปเรือยสตัดเห็นหน้ได้หนึ่งงน่ารักินกาอากาศอะไนี่ขึ้นคแน่คุณไดสอนสบมองไมาประกำถ้าเราตั้งด้ยืดให้ตัวตรงๆท่านจะมั่นคงหลาบก็ไม่ค่อยหลับและจะสดชื่นไปเรื่อยๆ ก็บาอากาศอาการมันนั่งอยู่ด้วยบางทีนั่งหันหน้าให้ดูบางทีนั่งหันหลังให้ดูหอนประวิงซ้ำหัวใจโค้งผนฟ้าเราโดยก็เอาตัวตัวก็เนื้หาเราเขานั่งมันถูกตะเป๊กมาอย่างนี้มันไม่เป็นอะไรดอกเวลามันสงบมันจะเบาตั้งไว้ตรงไหนมันก็สองเทานั้จ้ะ ทำปีกาเยสมาธาติตั้งที่ไว้ในากายแล้วกายจะอ่อนอันนั่งหลังขกหออดองอ อ, อ, อ, อแน่ๆขึ้นเมื่อกดกมานั่ยตั้งที่ไว้ในากายแล้วแต่มันจะเป็นตาอีวันทองหนักดน่ๆบริบุดบริบรุดเยอะเลยห <c oughs> ็นเยอะเลย กายยังปีจิตเตสมาคติตั้งจิตไว้ตั้งกายไว้ในจิตไม่ใช่ตั้งจิตไว้ในกายคือแล้วแต่จะให้จิตมันพาพาไปตั้งกายตรงก็เอาจิตนี้มามาบังคับมันให้มันตรงอย่างนี้อย่างนี้หรือเว่าตั้งกายไว้ในจิตกายจะเบาเมื่อตั้งได้เมื่อเริ่มเปม็นสมาธิจะเบาสบายไม่งอง มันง่วงสดทื่นแจ่มใสโยกแต่ห้าหนะแต่หาจิตตัมปิกาเยสมาธาติเธอตั้งจิตไว้ในกายแล้วแต่กายจะพาไปมันจะงอของงองจเอียงเอียงอยากง่ายกังายปล่อยไปตามสะานตามสเป็กแล้วแต่มันจะเป็นไปอีวันของอี ว, วนันอันนี้นี่จะทํำให้กายอ่อนทําบอกจะทํำให้กายอ่อน มือนไม่มีกระดูกเมือนจิตเป็นสมุทัยยิ่งอ่องรับก็ับไปเลยโกลนก็กลนไปเลยของอ่อนเนะอันเดือดหัวตดำขี้ดินแต่สื่อมกระเอานี้่ไปตั้งตั้งจิตไว้ในกายแล้วแต่มันจะเป็นไปแต่ถ้าเราตั้งกายไว้ในจิตคือเอาจิตมาควบคุมกายให้มันตั้งตัวตรงอย่างที่ท่านบอกแล้วมันจะเบาถ้าไปสมาธิมากๆเบาเบา มันจะล่องลอยไปในห้องอากาศห้องไปหาเมื่อเราเตาแล้วเสียงดังขึ้นในหูเสียงดังแบบเป็นสองจังหวะแต่อีกเข้าลเลยอีกเข้าจะเหลือจังหวะเดียวจะเป็นเสียงแหลมๆเหมือนเสียงไม้หอนแล้วจะซื้อสดชื่นที่สุดแจ่มใสที่สุดเมื่อเราหีสติส่งจิตตามเสียงนั้นคล้ายๆเสียงนั้นจะดังขึ้นมาบนสมองหวัวเลยฮิ่งพวกเรารอขึ้นไปรอขึ้นไปแน่ตัดเวิรวางไป ลอยไปเลยเบาเอาแสนจะเจากังนั้นนั่งสองวัน3าวัน4ี่วันก็ได้มันมันมันเพลินไปเลยหลวงปูน่นี่ที่ในในดูหนังสือธรรวัตรธรวัดของเราสี่วันครับเฉยดกสำรับข้าวไปถาวายนึกว่าท่านจะชันข้าวไม่สนใจเลยนั่งเฉยคนเอาไปให้สี่วันตัวให้กินเองกินเองเสเจ้าเพิ่มกิน ข้าได้เข้านั่งสมาธิเฉยตัวตรงดิ้งได้สีวันแล้วไม่ออกมาก็เลยคิดว่าสงควรก็บเวลาจะต้องไปเอาพู้เท่าออกมามันจะเป็นตลาต่อกายมันนั่งนามากผมโดยที่ไปถึงกุฏิทับท่านก็ลุกขึ้นมาพเพลยเปิดประตูป้องออมารับผมพเพดยคําแรกที่ท่านพูดมันหลงตัวเนี่ยรับ ถ้าบอกมันลงนี่นะจะนั่งอยู่เป็นปีก็คงจะได้ก็เลยามันไปถึงนานแล้วปูมันไปหอดใสวคือนั่งดนแท้ที่แรกทัาวัอย่างนี้ผมบอกว่าหลวงปูนั่งดีๆกําหนดลมมให้ได้อละเอียดนะทาตัวนั่งตรงๆไม่รูรรรรร้มัน ป, ม, นปมันเข้ามันออกแคละเอียด้ละเอียดไป้มันมันจะไปใสลป่ละบาลลดละเอียดไปแล้วลมจะดับไปจะหมดไป เอวังสันสันเตวาตูปาลติยาพัฟวาณานะหูติอาศัสถทฏาปัฟวนานะาหูติเมื่อความละเอียดลงแห่งลมก็จะได้ความสงบประงับ ล, บลมหายใจนั้นก็จะดับไปอปาศัสถัฏาจะไม่ปากกรากฏเมื่อก็ดับจริงๆน้องกูก็ทําได้บอกอย่างนี้ก็ทําได้เดินจกจกมหาลมคือดดับไปอีบเขียขึ้นมาจะไม่ได้เห็นประ เพาะว่าเมือม่อเมือม่อเห็นเมื่อเมื่อลมดับแล้วจะทําให้มันเห็นลมนะถ้าเห็นลมหายใจแล้วจะเบาจะสบายจิตใจจะไม่มีที่ฟฟเฟ้งฝางวาวเปลจะมีที่เกาะเมือม่อเมื่อลมดับไปแล้วจะทําให้เห็นลมก็ได้ลมไม่มีตัวนะใจะเขาจะบอกว่าไม่มีตัวนะแต่แต่มันพัดต้นมาอย่างโค่นอย่างขงับคือความวิ่งตัวบอกเมือ่อลมหายใจละเอียดเข้าอัฐ อธิษ ฐ, ฐาเมื่อมันละเอียดเข้าไปแล้วมันจะไปตั้งอยูต่ต ร, ตรงไหนตั้งสติไว้ที่รูจมูกนะจะเข้ายาวใหม่จับจับใหม่มันจะจะละเอียดใหม่พราะมันละเอียดใหม่ท่านจะเห็นตัวลมไหลออกหาเหนียวเนียวไหลเข้าไหลออกไเหน็นเป็นตัวงอชูบุรี อ, ออกจมูกพันแรเคยสูบยาหองนิสูบยากเก่งเลย วันละสองซองครับไม่ขาดนี่ขี่ยาได้เนี่วันละสองซอ ง, องแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่แต่ต้องเลยอาหารเหล่านั้นไป็พิษมันเป็นไปมันมันเป็นไปได้ที่เราจะฝึกแม่ไม่ตกศกเลยเมื่อกล่าวสูบเบียออกจะมูกไหลออกไปจุดๆๆไรเข้ามาสุดตอนนี้กินจะดิงแน่นดูที่ลมอย่างเดียว ดูไปดูมาตัวเราก็จะเป็นควันเป็นควันเป็นหมอกเป็นไอเหมือนน้าแข็งเป็นวุ้นแต่ากลายเป็นเป็นหมอกหมอกนุ่งควันนุ่งไม่ไหลเข้าไหลออกอหุ้มห่อตัวเราตัวเราจะหายไปไม่มีเลยไม่มีตัวไม่มเขารู้สึกว่ามีตัวตัวนี้จะเห็นอณาตายอยู่แบบหนึ่งคือไม่มีตัวจริงๆว่ามันหายไปแล้วมันจะนิ่ง ในขณะที่มันนี่งมันจะข่าโพลอยู่เหมือนขวนันเหมือนหมองแต่าการนิ่งเขาแต่แต่ก็จะเหมือนวนุ้นวุ้นที่มันเขาขามอนม น, มนที่เขาทํำขนมมาให้เราฉันนะ่ะน่ะทํามาให้เรากินนะ่ะเป็นเนื้อวุ้นแต่พอเราเพ่งสติไปมันจะแตกเ้า ส, สู้ทั้งเมื้อทั้งตัวทําเล่นอยู่ทั้งเื่นตอนนี้ไม่มีความรู้สึกเจ็บรู้เจกบปวดม่มีมคำว่าตัวเรา ไม่รู้เราอยู่ตรงไหนไมิเตอร์ตัวรู้ว่ามเป็นอย่างนี้ก็เพ่งดิง่งจ้องอยูอย่ตรงนันเสียงจะดังขึ้นใหม่เสียงจะดังวิวิวสเดียวถ้าจ้องเ ป, เป็นที่ภาพที่โลกที่ความเป็นบุ้งบุ้นเป็นสีนั้นที่จะล้อมตัวเข้ามาใ น, นที่สุดจะถูกเสียงดังขึ้นมาบนหัวนในใสมองเนี่ยมื้นตัวเราลอยขึ้นไปกับเสียงแมอากาศนู่น และจะเห็นตัวเรามีสีสีใหม่จะเปลี่ยนไปจากสีขาวจะเป็นสีแดงระเือระเรือเมือสีชมพูเมื่อสีสีรูดทับทิมไม่ทับทิมแล้วจะมีขึ้นตรงนั้นมไม่รู้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้กี่วันกี่นาทีมันไม่เก็บเป็นปวดและจากนั้นแสงเหล่านั้นจะเปลี่ยนไปจากแสงสีแดงสีสีแดงเข้มเหมือนสีทับทิมแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเ ข, ขียวเหมือนพระแก้วมรกตทั้งตัวเรา เขาไปบอกกัากายเทพกาธิปอะไรต่างเราไม่สนแต่ตอเราจะเห็นมันเป็นอย่างนี้นี่คือคือลูกของนามลูกของขวารู้สึกไม่จะ่นามของลูกถ้าตายในเวลาอย่างนั้นจีอย่ในสภาพนั้นกระดูกจะเป็นสีอย่างนั้นสีเขียวบางสีแดงบางสีใสๆบางไม่ใช่เป็นพระอหรหันนะอาจจะเป็นเพราะอรรมุนก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของสมาธิของอารามนุปนิชฌานจะไปตรงนี้ เพอเลยแหละครับหลวงปู่สี่วันก็เลยถามไปห่อใส่หลวงปู่ไปห่อบนเ ข, เขียวแล้ววะหูมันเดาวีนน่หิออองออดดอกันไปโย้ยอยู่จนได้ก็ได้เลยวะคบเบลาลุดต้นตั้งการหนึ่งสิบสิบเปื่อยสิเพก็เลยออกมาก็พวกนี้ขขึ้นไปเลดไม่ต้องปลูกยากนะออกมาก่อนนี้มนให้ท่านฉันถ้าท่านฉันมีหลวงปู่ท่านทาได้ แม้พวเราก็ทำได้ทุกคนถ้าตั้งใจอันนี้แบบอาลามนูโมบุิชฌานนะแต่ผมอยากจะให้สนใจพิเศษคือรักขนุนบุญิชฌานมันไม่ยากที่มันจะยากสะระวางคนมีนะบางคนลูกศิษย์ผมถ้าสอนทางนี้แกทํายากที่สุดไม่เป็นให้รู้จใจใจตัวเองให้อ่านใจแต่ตัวเองแกไมรู้แต่แกมาเที่ยวรู้ใจใจคนอื่น ใครที่อะไรแกรู้ง่ายด้วยเราคุยกันเลกยัไงไม่แอบฟังก็ไปทําเป็ดแต่โง่ที่สุดคือไม่รู้ใจใจตัวเองใจเจะขอใหนึงนพาไปตกนรกพาไปขึ้นสวรรค์พาไปขึ้นสวรรค์พาไปตกนรกก็คือใจของเราพาไปพันธพ์านก็คือใจของเราไม่ใช่ใจคนอื่นยิ่ยงจะเสียดุลถ้าเราไปที่รู้ใจใจคนอื่นไม่มีประโยชน์ดอกมีแต่โทษ ถ้าว่าเราเร า, เรานั่งอยู่ตรงนี้รู้ใจว่าคนานี้กําลังเกลียดน้ําหน้าเราเราคนเราก็เกลียดตอเกิดดับเบิลแอคชั่นขึ้นมาสองชั้นผมซ้อยกันกิเลสเกิดทั้งสงถ้าเกิดว่านั่งผู้หญิงนั่งอยู่รู้ใจวผู้ชายกําลังเกิดความกาเริบมีความเซสที ม, ม, มขึ้นมาทางทางอารมณ์ขึ้นมาโอ้เอาอะไรไปเลยไปเขาไปดูไปขึ้นไปเขาเลยไปเลยสองชั่นผมบอกว่าแน่ดีเลย ว่าใหญ่จวบพิสุทั้งหลายการที่เธอไม่รู้จักวาไรจิของคนอื่นไม่เป็นไรช่างเธอแต่เธอจงรู้จักวาไรจิของเธอทุกขณะโยจรังวาปิติถันวาสยยวาวิสินโนวาวิตโกวากรรมวิตโกวาพยาปธาวิตโกวาวิหิงสาวิตโกวาปชะตินับปชะนาติ นาวิโเทตินาณภาวังคเมตินาวิดาเสติเอวังฟูโตโหีนาวิริโยติวิชิติพิสุทั้งหลายบุคคลใดจะยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามพี่นอนตื่นมือไก็ตามเมื่อความคิดเกิดขึ้นคิดประทางกาม ที่ประทางความรักที่ประทางความเบียดเบียนเธอไม่รู้เธอไม่วิโนเทติไม่บรรเทามันเธอไม่วินาเสติไม่ทําให้มันพินาศเธอไม่อนัภาวังเขามรติไม่ทํามันตั้งอยู่ไม่ได้เธอจะนั่งอยู่เป็นปีทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนเรากล่าวว่าเอวังภูตโตหินวิริโยติวิจติบุคคลนั้นมีความเพียรที่เลวซรามมาก น่ะผมไม่ได้ว่าเอา่างนะกว่าตำแหน่งครับนนั่งอยู่นี่จะความคิดท่านท่านท่านท่านท่านทาเรียกว่ามีความเพียรเลวสามอะแต่โยจรังวาปิที่ถึงวาปิสินโนวาอุทวาสยังวิตตกังสมยิตรวากรมวิตตโกวา พระยาป่าทวีตโกวาวิหงสาทวีตโกวาอุปชติปัญญาติมีโนทิติอนัภาวังคเมติเอวังภูโตสตรษฐตังสมิตังอเลทาวิทยังติวัจติพิสุทั้งหลายผู้ใดก็ตามจะยืนอยู่ก็ตามจะเดินอยู่ก็ตามจะยืนอยู่จะนั่งอยู่จะนอนอยู่ก็ตามจะนอนปึนขึ้นใม่ใหม่ ชาเขาไดยังอุปชติเธอตื่นขึ้นมาไมก็ตามเมื่อเกิดความคิดคิดไปทำกามคิดไปทำความรักคิดไปทำความเบียดเบียนชิงทางเธอรู้ประชานตีทราบชัดปินโนเทตีบรรเทาบัรเสียปินาเสถีให้มันตั้งอยู่ในใจไม่ได้อ น, นาภาบังคับวีติถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เอ วังภูโตอัทธาวิริยติวิจติสตตังสมิตตังอรทธวิริยอย่งติวิจติเรากล่าวว่าพิสูจนนั้นบุคคลนั้นเป็นผู้มีความเพียรอยู่ทุกเมื่อมีความเพียรอันปารบมีความเพียรที่ติดต่อเรียกว่าเซเทเวอเอฟเฟกต์มีความเพียรอย่างยั่งยืนพับโพโซตาที่โสภิขุผุดทุ่งสั่งโพธิมุตตะมัง พิกสูผู้เช่นนั้นจะสัมผัสโพธิญาณได้มันยากไหมครับที่พูดมาเนี่ยมันยากไหมไม่น่านจะยากถ้าเราตั้งใจใหญ่ๆจะมีจะสมาธิใหญ่ๆจะมีลิบบีเดือดไหลมันจะได้ๆๆลิบสีดวงลังข้อกลงุงจุงอยู่่งโลกกรรมฐานมีอยู่สองโลกเป็นโลกพหะเอกหนึ่งลิบสีดวง ทวารนนะ่ะสองตอมลูกมาอักเสบเนียงยากซิดอกปิจิมนี่ยอเพราะอย่างนั้งเราเขาคงต้องมาโดนเขามันม่นสงบมันก็หลับได้อยู่ไรยันหลังคมนะ่ะเวลาเราหลับหัวใจจ ะ, จะเต้นช้าๆฉีเลือดน้อยๆปั๊มก็เครื่องเครื่องเล็กมันน้อ ย, ม, อยมันจะฉีเลือดไปนั่งตามร่างกายจะไปไปที่ที่มันที่เรานั่งขคตทับมัน มันจะฉีดไปไม่ได้มันก็จะขอดเสเลือดใต้ก้นทวารหนนะักที่เรานั่งครับที่ตัวนั่งคอยตัวนั่งมันจะขอดคลอดแล้วก็ท้องตัวจะอื่นแน่นเพราะตัวเรามันตัวตรงถ่ายก็ยากนานๆก็จะไปถา่าก็ถ่ายคูดออกมาก็จะเป็นบาปเป็นแผประมารก็เป็นฤทธิ์สีดว่วนผมไม่เคยเป็นฤทธิ์สีดวงนะแต่ผมคิดว่าจะเป็นอย่างเช่นนั้นคนอื่นเขาเป็นมันกุงจุง้งพดมันมันอุชุงกระดัง เป็นวิเชนนั้นนานๆเข้าต่อมลูกมาจะอักเสบจะเยี่ยวขัดจะเยี่ยวระบาดเพราะไปนั่งทับนั่งงอมันได้เกินลาวลมหายใจก็ละเอียดลงจนหลับตรงนี้จะเป็นอันตรายไปหาหมอหมอเขาจะบอกว่านั่งมากหลวงพอ่ออย่านั่งมากเขาจิตของใจงยังน้าห้องเขาไม่ได้ฝึกเขาแหงย่านตัตายจนตัวหมองก็ได้แล้อีกประการหนึ่งนะครับต้องบอกก่อน พวกเราเวลาเรานั่งเพ่งสมาธิมีสติอยู่ทุกประมาณจะเข้ามาจะออกถ้าเราเพ่งมันเป่งถ้าเพ่งหนักมากใกล้เข้ามามากมันจะหนักบนดั้งจมกูกบนระหว่างคิ้วหน้นาเข้ามันจะมาหนักอยู่กลางมันมันเข้ามันจะปวดปวดหัวจะเกิดขึ้นปวดจนมันหัวจะแตกจะระเบิดมันแน่นแป๊ะมันมีตนมีตัวเคลื่อนไหวอยู่ใหัว ลักษณะเช่นไปหาหมอที่ไหนไม่รู้เรื่องหรอกครับไปเลยไปโรงพยาบาลไม่รู้เรื่องไปเอาไให้ย า, ยาพาราอะไรมากินบุบตรต ร, รัตน์เขจักคนหาสาเหตุอะไก็ไม่ได้น่าเข้าพวกคุณก็จะต้องล้มเหลวล้มเลิกคืนทำต่อไปหัวจะแตกตายนี่ความรู้สึกมันปุ่มเหลือเกินเรีว่าไม่โกงไม่เกินกินแล้วในที่สุดก็ซึก เลือกยี่สิบพรรษกุแผนี่คืออะไรครับผมดูเวลาก่อนตัวนี้อันตรายนะหมายเลขหนึ่งด้วยถ้าทาเป็นสภาไม่ต้องกินกินยาสักพิดที่เรานั่งอยู่ในขณะ น, นี้ที่เราเรียกว่าเจริญฌานฌานนี้มันเผานะครับเห็นไหมครับว่าชาปนกิจอันกิจอันเนื่องด้วยการเผาเผาคนตายนะ ตัวนี้เป็นของเราเลยนะคุณผ <laughs> ู้ดเลยตปติชายีที่เราสวดในหนังสือเราตปติชาญีตปติภัมณนอาท่านผูมาท่านผลติงตปติเตตตาหินีโอตปัตภะปนัสุกาธรรมะตวายินทัตันตตปุริสาโลกเเรวัตมาติยุจเรสนติปะคาที่เราสวดในหนังสือนะไม่ได้แปลผมคิดว่าจะจะแปลสักครั้งหนึ่งแต่แปลแล้วจะฟุ้ไม่พอ ตาปฏิชาีไปว่าเพียนเพ่งแผดเผาทีนี้เรามาเผานะเผาอะไรเผากินเลสไม่รู้ ใ, ใจของเรามันแข็งกระด้างบวชมาห้าสิบพันษายจะไม่รู้จะบุญคุณพ่อแม่บุญคุณพระศาสนาบุญคุณพระรันาตนไตยังไปหาเหตุทุศีลเพื่อเพราะใจมันแข็งกระด้างมันม่เยังไม่ได้เผาใจเจ้าแข็งกระด้างบุญมิง่หงห่วงหอมทำทานเอ้ย มื่อแตบาดสีกข้อกินเจ้ายูครูหน้ามผ้าใจอ่อนแต่นุ่มเหมือนมันจะเกิดบุญบวกมาสองสามวันรู้จักบุญคุณพ่อแม่น้ําตาไหลป๊อปป๊อพอใจมันจะอ่อนเมื่อเราเผามั น, ลมนลหลาหธรรมดาเหล็กที่เราจะไปตีเป็นมีดเป็นพระเป็นขวานเป็นเสีย ม, ป ม, ออ เ, มเป็นจอบต้องเาเหล็กนั้นไปเผาซะก่อนเผาะจะเป็นแดงจึงคึนก่อนเมื่อเผาแดงแล้นมันจะอ่อนมันจะนุ่มจะเอามาตีตีเป็นมีดเป็นพระเป็นขวาน เป็นเสี้เป็นจอบเป็นเสียมได้ท้องคําดิบเวลาจะมาตีเป็นซ้อยเป็นแหวนเป็นตุ้มหูเป็นต่างหูก็ต้องมาเผาสก่อนจิตมาตีได้นีดีไม่ได้คนเรามานั่งสมาธิภาวนามาเผาตัวเองเผาจิตเผาใจให้มันอ่อนนุ่มที่ว่ากรรมนิโยมุทุภูเตกมนุเยอันนี้จะชับปฏิ ให้มันนุ่มนวลถ้ามันอ่อนโยนให้มันตั้งมั่นมันควรแก่การงานเพื่อที่จะมาฝึกมาหานนันเป็นคนที่ดีตอนนี้เลยมานั่งเผาเพราไปเข้ามามันเผาของเครื่องได้ปรได็อันตรอมันอยู่ไหนมันสูงเขาเลยมันเผาไมยังล่ะผมอยากจะบอกให้ทั้งหลายเห็นเห็นภาพเรียนหนังผู้ปวดหัวเด้อฟังดีๆเรืองนี้ผมปวดเนียบเลยจะนอนหัจไปปวดดิสมัในประเทศไทยนัน ไทยเป็นคนที่ร่ำรวยมากเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆเจ้าของธนาคารเจ้าของห้างร้านใหญ่ๆนั่นมาเข้าในหน่วยงานราชการเป็นเจน้าหน้าที่เป็นเจ้าเป็นนายถ้าเราดูดีๆเราจะเห็นว่าต้องมีพี่น้องชาวจีน เป็นเจ้าของธนาคารเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆโตๆร่ํารวยมากๆเป็นเจ้าของที่ดินมากๆเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้าราชการเป็นนายอำเภอเป็นครูบาอาจารย์เป็นแพทย์หมอเยอะแล้วเราคิดอยูดีๆเราเราคิดบา้บาๆกันบมันปะเมืองไทยจะต้องมีแต่คนไทยเว้ยต่อไรคนนี้นี้นสมมตินนะสมมตินนะ เขาสีนีบอกห้องนี้บอเขาจะไรหัวนี้บอดีกว่าเขาก็ไม่หนีเพราะเขาตั้งหลักมั่นคงแล้วเขาก็รักชาติเหมือนกันเขาเป็นเป็นคนไทยเหมือนกันในความรู้สึกเมื่อมีความแบ่งแยกเขาก็รักสุดชีวิตเหมือนกันประเทศไทยของเขาดีไม่ดีเขานี่ยแหละจะได้หัวเราหนึ่งเราหมดอ่อนแอหน้ากับวุ้มิ่งหายวุ้มยิ่งย่งจะไปยืมหนี้ยืมสินจนนี้ถุงหัวเจนเป็นหนี้เกษตรหนี้สากลกับเป็นนี้เขานี่ยแหละก็จะอะไรอย่นี้ในที่สุดก็ต้องต่อสู้กันเลยแหละ ในการต่อสู้คต้องเจ็บปวดเ ม, มื่อชุกเข้ไปกับมันก็ต้องอยู่ ด, ด้วยกันจะต้องเจอเจ็บปวดซะก่อนอันนี้หมายความว่าดีนี้เราคิดเป็นนักปฏิบัติปฏิวัติเป็นขบฏทรอยต์ตอกิเลสกิเลสมันมาอยู่กับเรานั้นหลายภบหลายชาติหลายแสนชาติแล้วโดยเฉพาะกา ม, มารมตัวกามกา ม, มาราคะเราเนี่ยตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้เราก็ไม่ได้เกิดมา มันอยู่ในเนื้อในตัวในหัวในหางในในขมองของพวกเราทเรียกว่าอาสวะนั่นน่ะอาสวะนั้หลายชาติน่ะมันซึ่งแทรกอยู่ในในนี้หลายพบหลายชาติหลายแสนชาติหลายกอบกับมันมีอยู่ในเนื้อในตัวในใจในใจในชีวิตของเรามาชาตินี้อยู่อยู่ดีดีดีดีอยู่ดีดีมาคิดจะไปไล่มันหนีไว้มันจะไรหัวจะขึ้นแล้วไปเผาหัวเจอเราจะบวดหัวแหละเดี๋ยวจะว่าฟังเหม่เวลาหมดแล้ว ทำจะจะไล่รอกได้ตอนี้เป็นไล่รอกได้แต่ตอนด้วยคนบนเด้งคนบนเด้หัวเย็นเจ้อ้เจ้าตอนในใจตอนเนาะวันตอนไปเวลาราวเวลาระ้งบนกัน เ, นเปปห็นหงอกระหอกมองพอดีแล้วตอนบ่ายจริงตอนเนาะควรเก็บเวลาขอความเจริญงอกงามในอริยะจริยธรรมในเสขะธรรม ที่ประพฤติปฏิบัติมาจะได้เป็นอะปุปจันต า, ตายะสมาปโนจะได้เป็นไข่เน่าที่ฟักไปออกเพราะเป็นไข่ที่ไม่เน่าโดยทั่วกันทุกลูกทุกองทุกขั้นทุกคนที